อ๋ป่ากันเจ็บโตเอไว้พระกันเสียก่อนนะอะมีครอบทุขกันทุกคน <c oughs> โดดดีนนะทั้งประทั้งชีพิจารณาปฏิสังขาโยมพิจารณาใจของตัวเราขณะกำลังจะก ะ, ะ, ะประมาณในการครบชันน้องตัวเราเองเราต้องดูรู้ให้เท่าทันว่ากายเกิดความหิวหรือ ใจของเราเกิดความอยากเราก็ต้องพยายามรู้จักดับรู้จักหยุดรู้จักอบรมพิจารณากับประมาณในการครบฉันองตัวรเราเองทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเฉยได้เวลาออทุกอยาก่างกายกระทบรูปเป็นอย่างไรตากระทบรูปเป็นอย่างไรโอหักระทบเสียงเป็นอย่างไรเราต้องมีปัญญารู้เท่าทัานใจ ปัญญาเราต้องสร้างขึ้นมาหรือว่าสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องอดทนเอาถึงจะลาบากก็ต้องอดทนจนกระทั่งถึงเวลานี้เดี๋ยวนี้เวลาจะคบบจฉันก็รู้จักกลับประมาณในการคบฉันตัวเราเอาใจของเราเกิดความอยากเราก็รู้จักหยุดรู้จักดำสิ่งไหนที่เราชอบเราก็พยายามดู อย่าให้ใจเกิดความอยากถ้าใจเกิดความอยากเราไม่ต้องเอาให้ผ่านเลยไปผ่านเลยไปแล้วใจจะเกิดความอะไรอาวร์ อ, อีกหรือไม่เราก็ต้องดูทุกเรื่องทุกเรื่องเลยทีเดียวสามเณรตัวเล็กลก็พยายามสร้างความขยันหมั่นเพียรสร้างความรับผิด ช, ชอบ เห็นว่าเล่นกันแรงอย่าไปเล่นเห็นทะเลาะเล่นกันแรงบางทีก็ร้องห่มร้องไห้เรามาฝึกฝนตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราไม่ใช่ว่ า, ามาเล่นสนุกสนานกันเล่นก็อย่าไปเล่นกันแรงเห็นว่าเล่นกันแรงร้องห่มร้องไห้ก็หลายคน เราต้องพยายามแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราสร้างความขยนันสร้างความรับผิดชอบถึงจะถูกแต่ละวันแต่ละวันบอกการเอางานเป็นการปฏิบัติทำงานทำโน่นทำนี่ละความเจ็ดคร้านสร้างความขยนันหมันเพียรให้มีให้เกิดขึ้นจะได้เป็นซัพภายในติดตามตัวเราไป นี่ถ้าเรามีความเกลียดคร้านเราก็พยายามละความเกลียดคร้านออกไปเสียสร้างความขยันทำโน่นทํนี น, นี่โดยที่ละความเกลียดคร้านออ ก, ก, ก, กจากจิตใจของเราเรามาฝึกฝนตัวเราเน่ยใช่ว่ามาแล้วก็มาทะเลาบะบาแวงกันเล่นกันสนุกสนานกันอย่างนั้นใช้การไม่ได้ ถ้ามีอยู่ที่ใครก็พยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเราพระเราก็เยอะฉี่ก็เยอะเคยทำบุญร่วมกันนั่นแหละถึงได้มาอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันอยู่คนละทิศละที่ต่างสถานที่มาอยู่รวมกันบางคนก็ปรารถนาที่จะหาทางดับทุกข์หาทางหลุดพ้น ดับทุก ท, ทางทางด้านสมมุติทางด้านบีมุติทางด้า น, า น, านสติปัญญาเราก็ต้องมาเจริญมาแก้ไขมาปรับปรุงตัวเราให้ถึงจุดหมายปลายทางกันแนวทางนั้นมีมาตั้งนานพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบหลักของการดำเนินชีวิตตั้งแต่ ตื่นขึ้นมาโน่นตื่นขึ้นมาเราก็พยายามเจริญสติก็ไปอบรมใจของเราจนใจของเราคลายออกจากขันห้าขันห้ามีอะไรบ้างที่ว่าเป็นกองเป็นขันมีหนังห่อหุ้มอยู่นี่แล้วก็มีวิ ญ, ญญาณเข้ามาคลองก็ร่างกายของเรานั่นแหละส่วนรูปส่วนนามทำอย่างไรเราถึงจะเข้าถึงตรงนี้เราก็ต้องรู้จักวิธีการเจริญสติ จเจริญพมเบญหารจเจริญความเมตตาให้มีให้เกิดขึ้นทำใจของเราให้อ่อนอ่อนน้อมมีความประทันยุมีความเชืสละมีความอดทนรู้จักให้อภัยอาโหสิกรรมึ่งกันและกันถ้าตัวเราไม่สอนตัวเราได้เนะไม่มีใครที่จะสอนเราได้เลยนอกจากตัวของเราเอง ตัวห้องเราตนเป็นปที่พึ่งของตนตนก็คือตัวสติตัวแรกที่เราสร้างขึ้นมานแล้วก็ตนตัวที่สองก็คือตัวใจแต่เวลานี้ใจของเราทั้งเกิดทั้งหลงความคิดนั่นแหละความเกิดความคิดนั่นแหละทั้งหลงทั้งเกิดทั้งอาการห้องขันห้าความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดผุดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เรารู้ไม่ทัน เพราะว่ากาลังทติของเราไม่ค่อยจะต่อเนื่องบางคนบางท่านก็สร้างได้กับปิดกับปลอยเพออียงแค่สร้างให้ต่อเนื่องก็ทั้งยากไปดับไปละกิเลสไปคลายกิเลสก็ยากขึ้นไปอีก<ม>การพูดง่ายแต่การลงมือการทำความเข้าใจต้องเป็นบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศรู้จักสร้างอานิสงส์สร้างระ บ, บะปรมีการให้การเอาออกการคลาย ให้ระดับสมมุติให้ระดับพิมุติอยู่ในกายของเราหมดด้จักควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมใจจนเป็นธรรมชาติหมดธรรมชาติของใจที่ไม่มีกิเลสใจที่ปราศจากกิเลสเขาก็บริสุทธิ์ใจที่ไม่เกิดเขาก็นิ่งแต่เวลานี้ใจของเราทั้งเกิดทั้งวิ่งทั้งหลงเป็นธาตุของกิเลส กิเลสหยาบกิเลสละเอียดไม่หมดเราถึงพระพุทธองค์ท่านถึงให้มาค้นคว้าอยู่ในกายของเราให้รู้ให้เห็นกายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกจากการเกิดวิเวกจากความคิดวิเวกจากขันห้ามมีสติคอยดูลู่อยู่ตลอดเวลาการเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิด แต่เวลานี้ทั้งเกิดทั้งวิ่งทั้งเป็นธาตุท้องกินเหล็เพียงแค่ระดับสมมติก็ ย, ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยต่ยได้เท่าไหร่คำว่าสมมุติก็คือเครื่องอาศัยความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละโลกธรรมมันแหละมีปัจจัยสี่เป็นตัวหนุนมีโลกธรรมความปัจจัยสี ความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ก็ให้อยู่ดีมีความสูกถึงไม่ล่าไม่รวยก็ไม่ให้ลำบากอยารักษาโรคควาเป็นอยู่โลกธรรมวัตถุต่างๆที่เราอิงอาศัยอยู่ในระดับคงสมมุติบางท่านก็สมบูรณ์บางท่านก็ไม่สมบูรณ์บางท่านก็ยังลำบากเพียงแค่สมมติก็ทำให้ ให้สมบูรณ์อยู่ในระดับความปกติไม่ให้ได้ลำบากบางท่านก็มีสมมุติเพียบพร้อมแต่ทางด้านจิตใจก็มีแต่ความทุกข์ mm hmm. ก็ต้องมาแก้ไขมาปรับปรุงตัวเราเองไม่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเราเข้าใจก็ทำกายให้เป็นวัดทำใจให้เป็นพระเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระยมบ่อยๆ อ, อดทนอดกลั้นความอดความทนความกลั้น นั่นแหละเขาเรียกวตะ บ, บะแล้วก็ให้อภัยเอาโหสิกรรมมองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีแล้วพยายามเจาะให้ถึงแก่นแท้ของใจของเราความเกิดของใจเป็นอย่างไรทำไมใจถึงเกิดใจปรุงแต่งส่งไปภายนอกได้อย่างไรความคิดขันห้าผุดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรแล้วก็ส่งออกไปภายนอกได้อย่างไร มันมีอยู่ในกายของเราหมดถ้าเรายังไม่รู้ไม่เห็นเราก็ไปมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนจริงๆในหลักธรรมนั้นท่านให้เจริญสติเข้าไปดูรู้เท่าทันมองเห็นตามความเป็นจริงเข้าใจในเรื่องหลักของอัตตาของอนัตตาอัตตาคำว่าตัวตนเป็นอย่างไรอนัตตาความว่างเปล่าเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องดูรู้ให้เท่าทัน อันนั่นก็ของกู้อันนี้ก็ของกู้อว่าวงอนอันอนตราเพียงแค่แผลนอกก็วางไม่ได้เราคลายจากภายในละภายในแล้วถ้าข้างนอกจะมีมากมายเท่าไหร่ก็มีด้วยสติมีด้วยปัญญามีด้วยความพยันมันเพียนยังสมมุติของเราให้เกิดประโยชน์อยเชื่ว่าจะไปพึ่งออกจากน้ำบ่อน่าพึ่งที่โน่นพึ่งที่นี่ไม่พึ่งตัวเราแล้ว สร้างที่พึ่งให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราถึงจะเข้มแข็งก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆใจของมนุษย์ใจของคนเรานี้พัฒนาได้แก้ไขได้ปรับปรุงได้ตามแนวทางของพระพุทธองค์มาศึกษามาค้นคว้ามาทำให้มีให้เกิดขึ้นจนปรากฏขึ้นที่ใจของเราท่านถึงบอกให้เชื่อ มาขัดกาวความตหนีเหนียวแน่นของเรามีหรือไม่มีก็พยายามขัดเกาเอาออกความขยันมันเพียนของเรามีหรือเปล่ากับรับผิดชอบความเชสละความอดทนการให้การเอาออกการเจริญสติปัญญาต้องมีบริบูรณ์พ่อมนต์สมมติก็ไม่ได้ลําบากวิมุติส่วนทางด้านปัญญาเราก็เจริญสติเข้าไปดูรู้เท่าทัน เราก็รู้จักระรู้จักขัดรู้จักเการู้จักเอาออกพึ่งให้ตัวเองตนเป็นที่พึ่งของตนได้แล้วก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ไปไหนมาไหนก็มีความสุขขณะที่เรายังมีลมหายใจอีกสักหน่อยก็ต้องได้ผัดผาคจากกันไม่ได้ผัดผาคจากกันตอนเป็นก็ต้องได้ผัดผาคจากกันตอนตายทุกวันน่ะความตายมาเยือนความตาย วิ่งเข้ามาหาเราทุกคนทุกคนเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมดไม่ตายช้าก็ตายเร็วเมื่อเช้านี่ก็มารับเอาโง1ัแต่ 4, ตีสนะี่ตีห้าทุกวันป่าเข้าไปตั้งสีตั้งเกรยแปดบกว่าโงสามปีกว่ามีโอกาส แล้วก็ได้ทำบุญให้พี่ให้น้องของเราหลวงพ่อก็ขอขอบใจบางคนบางท่านก็มาร่วมมาช่วยนี่มอบลงศพซื้อถวายลงศพให้บางคนบางท่านก็มอบปัจจัยมาไว้ซื้อลงศพอืมเป็นการให้ทานกับผู้วายชน ตั้งแต่สมัยก่อน 3-4 มสี่ปีก่อนก็ว่าจะทำเฉพาะตำบลสำราญของเราทำไปทำมานม า, มาตั้งเจ็ดแดตำบลก็มีต่างจังหวัดก็มีมารับเอาทุกวนันทุกวนักวนวันละสองวันละสามบางทีก็วันละสี่ถ้าไม่มีก็วันละวันละหนึ่งตกประมาณเดือนหนึ่งประมาณ 27-28 ็โรง เกินเดือนก็มีบางทีก็สามเอ็ดสามสองลงก็มีเต่าเดือนว่าต่ำสุดก็ย1 2 2เอดยี่ิบสองเริ่มคนตายความความพัดภาคจากกาันในมีมาทุกวันดังที่แต่ถ้าเราขาดการพิจารณาขาดการทำความเข้าใจเราก็จะมองไม่เห็นตรงนี้อีกสักหน่อยก็ได้พัดภาคจากกันหมด ไม่ได้พัดภาคจากกานตอนเป็นก็ต้องได้พัดภาคจากกานตอนตายเพราะเป็นกฎของใจร่างกฎของความเป็นจริงคนเราเกิดมาความเสื่อมนี้มีมาตั้งแต่วันเกิดจเจริญ ถ, ถ้าในทางโลกก็ว่าจเจริญขึ้นแต่ในทางธรรมท่านว่าเสื่อมถึงที่สิ้นสุดเราก็เสื่อมขึ้นเสื่อมลงตั้งแต่เป็นเด็กก็โตค่อยพัฒนาขึ้นมา ได้รับการศึกษาได้รับการระเรียนผ่านโลกผ่านโน่นผ่านนี้ผ่านความทุกข์ผ่านความสุขถึงเวลาก็แก่ลงความเสื่อมลงแล้วก็เจ็บโน่นเป็นโน่นเป็นนี่แล้วก็กระดูกเสื่อมกายของเราเป็นรังแห่งโลกแล้วก็เป็นโน่นเป็นนี่เอาความแม่นอนไม่ได้แม่แต่ตัวอรุณพ่อเอง ความเชื่อมนี้มาตั้งนานต้องอาศยาต้องอาศชีดยาทนุบำรุงร่างกายเอาไว้ทานยาทุกวันเช้าเย็นทั้งชีดทั้งฉีดทุกวันนี่แหละร่างกายของคนเราเป็นรังแห่งโรคเราก็ดูแลรักษาเข้าไปจนกว่าจะถึงวาระเวลาจริงๆหมดลมหายใจจริงๆ ถ้าความเสื่อมความตายในี่มันต้านทานไม่ได้ลอกเราต้องมาทำความเข้าใจเพียงแค่ยืดยืดอายุยืดเวลาให้ได้สร้างอานิสงส์สร้างบุญถึงวา ะ, ะเวลาแล้วอะไรจะมาฉุดมาลังเอาไว้ก็ไม่อยู่แม้แต่พระราชายาจกตายหมดเกิดมาในโลกนี้เท่าไหร่ก็ตายหมดขณะที่ยังไม่ลมหายใจนี่แหละ เราพยายามมันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างเข้าพวกเข้าหอติดตามตัวเราจะได้ไม่เสียทีเสียเที่ยวอตามแนวทางของพระพุทธองค์การทําบุญการให้ทานทีนี้การเจริญสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างไรการแยกการคลายเป็นอย่างไรคําว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเป็นอย่างไรเห็นถูกเห็นอะไรล่ะเห็นถูกแต่เห็นถูกนั่นแต่ภายนอกนั้นตัดสินกันนั่นแต่ภายนอก เห็นถูกในหลักธรรมนั้นถูกทั้งสองอย่างถูกทั้งภายในถูกทั้งภายนอกรู้จักบริหารกายบริหารใจของเราให้อยู่ในคุณงามความดีจนไม่ยึดไม่ติดอะไรจนมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันการเกิดอยู่ในภพมนุษย์นี้เขาสร้างขึ้นมาอยู่ในภพของมนุษย์ในหลักธรรมท่านได้ลึกลงไปอีกเกิดทางด้านจิตปัญ ญ, ญา เราคลายกิเลสละกิเลสออ ก, กดับความเกิดทางวิญญาณของเราอีกมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะต้อไปกลับมาเกิดมาหรือไม่กลับมาเกิดกันอันนี้ก็ต้องพยายามศึกษาการนึกการคิดยันไม่รู้ไม่เห็นไม่ถึงต้องสร้างความรู้ตัวจนเป็นอัตโนมัติแล้วก็มันขัดเกากิเลสออกไกใจของเรา จนละกิเลสได้ดับความเกิดได้ยืนเดินนั่งนอนก็ให้เป็นแค่เพียงเรียบทบุคคลที่เข้าถึงรู้ความเป็นจริงก็มองเห็นการเดินทางนี้ง่ายแต่ถ้าคนไม่เข้าใจนี่มันเปิดกั้นไปหมดยากไปหมดที่ท่านว่าสมมุติยังไม่เปิดเราต้องมาศึกษามาค้นคว้าจน ใจของเราคลายออกจากขันห้าได้นั่นแหละท่านถึงเรียกว่าสมมุติเปิดสมาธิิเพียงแค่เดินทางเท่านั้นเองเราแยกแยะได้ตามดูได้เราละได้หรือไม่เหมือนกับขึ้นตัวเรือนต้องอาศัยบันไดอาศัยราวบันไดการที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้เราก็ต้องอาศัยความเสียสละความอดทนหรืออาศัยคำว่าศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไร ต้องรู้แจ้งเห็นจริงหมดทุกอย่างไม่ใช่ว่าไปเรารู้ใจของเราตัวเดียวเท่านั้นแหละมันจะรอบรู้ไปได้หมดเลยไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายก่อนที่จะรู้ใจตัวเองเราต้องถอนรากถอนโคนกิเลสออกให้มันหมดดับความเกิดให้มันได้ใช้ตัวเองให้มันเป็นคนทั่วไปก็เพียงแค่ปฏิบัติธรรมก็เด็ดยอด เหมือนกับต้นไม้เราเด็ดยอดเท่าไหร่มันก็แตกออกแตกออกแตกออกปิดกั้นดวงแก่ตัวเองเอาไว้ไม่เจริญสติลึกเข้าไปถอนลากถอนโคนเราถอนลากถอนโคนได้ตัวข้างบนมันก็ตายหมดกิเลสก็เหมือนกันเราไปจัดการกับต้นเหตุของกิเลสท่านถึงบอกว่ามีเหตุเห็นเหตุเห็นผลรู้เหตุรู้ผลถึงจะเอามันอยู่ ก็ต้องพยายามกันล้มแล้ลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรปับปรุงตัวเราใหม่อันนี้ถงบุญสมมุติเราก็ช่วยกันทำให้เต็มเปี่ยมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเราก็ทำสมมติของเราให้ดีให้ขยันมันเพียนอยู่ที่วัดเราก็ยังประโยชน์ของสมมติของเราให้เต็มเปี่ยมทั้งที่หลวงพ่อพารมจากความไม่มีก็พาทำให้มี มีทําถานที่ให้หน้าอยู่หน้าอาศัยหน้ารื่นรมทําที่พักที่อาศัยให้กับทุกคนนี่แหละเราอย่าพากันเจ็ดครานถ้าเรามีความเจ็ดครานช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นอก็ไปไหนไม่ได้ไปที่ไหนก็มีตั้งแต่ความลําบากมีแต่ความเจ็ดครนานเขาครอบงําถ้าความขยันมันเพียรความรับผิดชอบไม่มีอะไรไม่ดีเราก็ทําให้ดีเสีย มันก็ดีอะไรไม่มีเราก็พยายามสร้างภาการสร้างขึ้นมาให้ได้ก็พอได้อนุเคราะห์ทางสมมุติอย่างที่พักที่หลับที่นอนห้องช่วมห้องน้ำถ้าไม่มีปัจจัยพวกนี้ทางสมมุติของเราก็ลำบากเราก็พยายามช่วยกันทาจนยางจนกระทั่งถึงสร้างอานในสงหญ่ในระดับของสมมุติสร้างมหาเจดีย์ นี่ปฏิฐ า, านเอาไว้ให้กับส่วนรวมให้กับส่วนกลางจะได้อัญเชิญพระบระมสาริกธาตุมาประดิษฐานเอาไว้ให้เรามนุษย์เราเทวดาได้กราบไหว้ปู่ชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอยากแก้ดับทุกได้อยากแกละทุกได้ก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของท่านให้ถึงจุดหมายปลายทางมีโอกาสหลวงพ่อก็จะพาทำทุกอย่าง เท่าที่กำลังของพวกเรามีทารรบุญละกิเลสอันนี้ก็เป็นส่วนตัวของเรากิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็พยายามละแต่งานสมมุติงานที่จะยังประโยชน์ให้กับมหาชนมีโอกาส ก, าก็ให้พากันทาวันที่วันที่เก้าเดือนพฤ ษ, ษภาคมก็ขอเชิญพี่น้องเราถ้าใครมีโอกาส อยากจะไปร่วมบุญวางศิลาเลิกมหาเจดีย์ใหญ่อยู่ที่ปักรงชัยนี่ก็ขอเชิญนะพี่น้องเราก็เห็นหลายคนหลายท่านจะพากันไปตั้งลงทานมาบอกมาก่าวก็เ8็ดแปดลงทานที่จะไปร่วมกันตั้งลงทานก็คงจะไปกันตั้งแต่ ว, วันที่วันที่แปดน้องพ่อก็จะเดินทางวันที่เจ็ด ท่อที่โน้นโยมก็ได้ถวายที่เอาไว้ให้ตั้งนานแล้วแหละก็ประมาณ500กว่าไร่จะไปสร้างมหาเจดีย์ใหญ่เอาไว้สักจุดขณะที่มีกำลังยังมีลมหายใจอยู่ใหญ่กว่าที่นี่สองเท่าเพราะ เ, าเป็นสถานที่กว้างแล้วก็จะได้ปลูกต้นดอกไม้ให้เต็มเปี่ยมไปใน4 5 0 0อไร่ ปลูกต้นกนลับประพฤกที่ออกดอกเต็มต้นกับต้นชมพูพันทิ์เป็นหมื่นหมื่นต้นทั้งสามหมื่นต้นตอนนี้กำลังกำลังปลูกกันอยู่กำลังปลูกกันอยู่ใครอยากจะซื้อต้นไม้ไปร่วมก็ก็ได้ต้นก็รับประมาณ200กว่าบาทหรือ200บาทต้นชมพูพันทิ์ที่ออกดอกกันเต็มต้นที่เขาถ่ายออกมาตามถนนหนทางนั่นแหละ จะพยายามทำให้เป็นดงดอกไม้ฝากเอาไว้ในประเทศของเราเป็นดงดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดมีโอกาสก็ขอเชิญว่าจะทำให้เป็นแหล่งบุญใหญ่เดี๋ยวนี้กำลังดำเนินตัดถนนหนทางแล้วก็ปรับที่ทำลงทานทำที่พักทมที่อาศัยอยู่แล้วก็จะได้ถมที่ จะทำมหาเจดีย์ใหญ่ส่วนการเจาะดินเท็ดดินก็ให้ช่างเขาไปเจาะเสร็จเรียบร้อยก็เพียงวัดที่กล้าก็จะได้ไปลงมือวางศิลาฤกษ์ก็ค่อยทำไปเรื่อยๆทางวัดเราก็ทำไปเรื่อยๆที่โน่นก็อะไรพอทำได้ก่อนก็จะทำจะฝากเอาไว้ให้เป็นอนิสงส์ใหญ่ของประเทศ ให้เป็นแหล่งบุญใหญ่เป็นโดงดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในประเทศของเรามีโอกาสก็คอเชิญพี่น้องของเราจากนี้ไปสิบปีข้างหน้าถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ไปเห็นไปเยี่ยมไปชมก็คงจะได้ยินข่าวอันนี้สงของการปลูกดอกไม้ของการสร้างมหาเจดีย์ใหญ่ที่โน่นก็มีหน่วยงานหลายอย่าง ทั้งหน่วยงานทหารหน่วยงานตำรวจข้าราชการต่างๆหนึ่งก็จะไปร่วมกันไปช่วยกันทําไปช่วยกันดูแลไปช่วยกันสร้างขึ้นมาฝากเอาไว้ในแผ่นดินมีโอกาสก็ขอเชิญนะอ่าตั้งใจรับผนกันอ่าขออ้ายทุกคนทุกท่านจงสร้างความรุต่ตโรหรือว่าจเจริญสติให้ต่อเนื่องกันทักนี้หนึ่งก็ยังดีนะ ตังจะตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วเราอยังเราได้ยังก็พยายามเริ่มหยุดความนึกคิดปุงแ่งต่างๆที่เกิดจากใจของเราเกิดจากความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจของเราหรือเกิดจากปัญญาของเราให้หยุดเอาไว้ทุกอย่าง เพียงแค่สร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงจนกําลังสติของเราเข้มแข็งแก่กล้ารู้เท่าทันการเกิดกันดับพองใจรู้เท่าทันการเกิดกันดับพองขันห้าจนรู้การแยกกันแยกรูปแยกนามหรือ ว, ว่าใจคลายจากขันห้าได้นั่นแหละกําลังสติถึงจะพุ่งแรงตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าอะไรคนละอะไรคนควรเจริญอะไรคนดําเนิน แต่เวลานี้กําลังสติของเรามีน้อยอาจจะมีกระท่อนกระแท่นเพียงแค่สร้างขึ้นมาก็ยังลำบากไม่ได้ต่อเนื่องเราพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้ต่อเนื่องกันวันละเล็กละน้อยจากหนึ่งนาทีเป็นสองนาทีสามนาทีเป็นห้นาที10นาทีต่อไปในวันข้างหน้าจนเป็นอัตโนมัตริรู้เท่าทันทุกขณะลมหายใจเขาออกทุกขณะจิต จนรู้เท่าทันว่าอะไรคนละอะไรคนจเจริญอะไรคนดำเนินการดำเนินชีวิตของเราจะไปในลักษณะอย่างไรสมมุติของเราอะไรติดขัดเราก็รีบแก้ไขวิมุติอะไรติดขัดเราก็รู้จักแก้ไขทั้งสมมุติวิมุติก็ยังอิงอาศัยกันอยู่เหมือนกับต้นไม้มีทั้งเปลือกทั้งแก่นทั้งกับพีกายของเรานี้ก็มีเหมือนกัน กายของเราในส่วนก้อนรูปส่วนใจนั้นก่อนส่วนเป็นส่วนของนามมาธรรมส่วนนามธรรมานั้นยังมีอีกสี่กองอีกต้องแยกต้องสังเกตกองวิญญาณกองสัญญากองสังขารกองรูปกองนามมีอยู่ในกายของเราหมดท่านให้เจริญสติเข้าไปดูรู้เท่าทานันแยกแยะให้ได้ว่าอะไรคําว่าอัตตาเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงคําว่าฉินสมมติฉินวิมุตติเป็นอย่างไรเราต้องศึกษา ได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่าไปทิ้งนะพยายามทำบุญสมมุติเราก็ทำทำมากเราก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทำเราก็พลอยอนุโมธนาสาธุด้วยเราก็จะมีส่วนแห่งบุญอยู่คนเดียวเราก็สังเกตใจของเราอยู่หลายคนเราก็สังเกตใจของเราแต่เราต้องจาแนกแจกแจงให้ได้ส่วนสติปัญญานี้ที่เราสร้างขึ้นมาส่วนการเกิดการดับของใจของขันหานั้นกามีอยู่ตลอด เราต้องมาดับมาอดมาข่มมาสังเกตมาวิเคราะห์อให้ใจของเราอยู่ในโอวาทของสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเห็นเหตุเห็นผลทุกอย่างเหตุผลทางสมมูิเป็นยังไงเหตุผลทางพิมุตเป็นอย่างไ ร, เ, ง เ, งไรเราก็จ้องพยายามดําเนินแต่เวลานี้กําลังสติเบนอ้อยสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆผ่อนลมหายใจออกมายาวๆ การสูตดลมหายใจยาวในสัมผัสที่กระทบปลายจมูกของเราก็จะชัดเจนหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ยิ่งไม่เข้าใจเราก็ยิ่งเพิ่มทําความเพียนจนรู้เท่าทันการหายใจออกหายใจธรรมชาติเป็นอย่างงี้หายใจออกเป็นอย่างนี้หายใจเข้าเป็นอย่างงี้กิเลสเกิดขึ้นเราละได้อย่างนี้เราละได้ระดับไหนระดับต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุจนกระทั่งดับได้ตั้งแต่ต้นเหตุ จนอยู่ด้วยปัญญาล้วนๆอ่าสร้างความรู้รวยชัดเจนกันนะอ่าากกันไว้พร้อมๆกันค่อยไปศึกษาทำความเข้าใจต่อให้รู้ทุกิรียบท